พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าพ่อจากไปคนไทยต้องรักกันคณะธรญาติโ ย, ยมมีหนังสือ เพิ่งออกใหม่มาเมื่อไมนานนะประมาณอาทิตย์กวกว่าเป็นหนังสือของคุณหมอเพนสีนะคุณหมอเพนสีมกราโนนผู้ที่ไปปฏิบัติคุณแม่ชีแก้วของเฮ้านะนะั่นแ่ะพี่น้องทั้งนองสูงก็มาหลายมานะือนนี่นองสูงคําชี้อีกบัหลวงพอ่อจีแจกให้พวกเขาเอาไปอ่านดนะ้วยโอ้มันเขียนดีเด้เพื่อนเตรียมตัวเตรียมอีหรีวันอไปอ่านให้ให้อ่านให้คาคา เตรียมตัวที่จะย้ายบ้านไปปลโลกไผ่ภาคนาได้เตรียมแบบไรคนไปหลวงพ่ออ่านบืองแหลวโอ้พิ่นเตรียมคักีีตัวเนี้ยะ เ, เตรียมสังเตรียมเสียเตรียมอผู้ใดต่อผู้ใดคนไปเก็บหอมรอมริบที่เอาไปแบบไรติดตามไปนํำต่อไปไผ่ภ า, ภาคนาจี ม, มอบจี๋ไม้ให้ฟังให้เคสยัง บ่อหยห่วงบ่หยอยะไรพคนแล้วเบิร์โอเบาดีนักศึกษาเหลมเลยแจกเหลมเลือกอีกนะครูกันนะแจกกันอันนี้สําหรับพี่น้องผู้ที่พอท่านได้นะไอพวกที่อยูหนี่มันก็ได้แหละกับพวกผูหานะผู้ที่ผู้ได้แล้วผู้หายจะพาแจกยังแจกผู้ใดแล้ว ผู้ใดแตกเก้าได้ก็แจกออกไปเอาไปเาม้าจักเท่าสีเสาาเออา่เห็เเาาเนเนุเอาไปสั่งกิโลขายหมดเลยผพอแค่ไินเงี้ยเนีผู้นึงเป็นผูวเ อ, อาม้ามาอยู่ในบ้านเอาไปว่าผู้เฒ่าล่ำคาดบานเนี่ยไปเอาไปสั่งกิโลขายเอาเถอะพ่อพ่อปนสิรุ่ยขึ้นอย่างเนี่ยสั่งหนังสือธรรมะกิโลขายโอ้เอาไปหายผู้อื่นก็หายผูเป็นเด้ขันหายผู้อื่นก็ยันเขาวัดเจ้าของเบื้อนายธรรมะบอกอ่านธรรมะก็เลย อยากอายมูนะไปเอาไปแจกผู้อื่นเนาะเอาไปซั่งกิโลขายมูมัมูมัพ่อใส่ ก, กระดาษแล้วไปขายว่นนไปโอ้กิโลหนึงมันหนังสือเน่เ็มนังเทไรเนี่เร็มหน้าเทไรนีน่ันบไดเงินเป็นแสนมันบดได้เพราะนั น, น้นพวกเข้าไปอ่านเะคณะาิทยนี่โจมลูกลานนี่เอาไปเอาปุมามดด่มมะปุ่มหมวดดป่ะพอพอเพจไห เอกมาแจกเพื่อคนละทีกันนะผสแจกเล่มน้อยผลสแจกเล่มใหญ่แบ่งหน้าทีกันนะอีกผู้นึงบอกเพื่นไ่ายเอกว่าเอาสักซีก้นวะ่ะเออเอาแจกผู้ที่ยังไม่ได้นะผู้ที่ยังบอเคยมาอยัางพวกท่านได ห, หนังสืออันนี้เอาไปกันผู้ใดได้ผู้ใดไ ด, ได้แล้วอย่าเอาอีกนะ บารามาข้าวนี่ได้อยู่บได้เอาไปอ่านว่ไปเอาไปเก็บไว้วน่ไปมาข้าวเนี่บบได้่ไปที่แทวมันได้เฉพาแ้งเรา่ไปกับโอ๊ยกับมหาอดบานโอ้หนังสือเล่มนี้กูก็ได้อยู่แต่กูพท่านไนอ่านวังได้แจกยำไรเอายาหนันหนึ่งไปเอาไปมากองเอเซ่อยู่ในบ้านหไปนะหนังสือเล่มนอยนี่นะหนังสือเล่มน้อยเนี่ เปิดนาแรกแล้วเขาบอกว่าดูก่อนสาริบุตรที่เท่าตถาคตตรัสไปนี่พูดไปนี้เธอเชื่อไหมภาษาลิบุตรบอกว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าข่าพระสงฆ์ทลายคือฮือฮากันทำไมภาษาลิบุตรหัวแข็งหัวดือ้อหัวลันขนาดพระพุทธเจ้าบอกสั่งสอนแท้ๆยังไม่เชื่อโอ้ทานงตนอย่างมากลืมตัวอย่างมากภาษาริบที่พระพุทธเจ้าบอกว่า เดี๋ยวเราจะถามให้ถามอีกทำไมเธอจึงไม่เชื่อเพราะข่าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติยังไม่ได้นำไปกันกรองแล้วก็ได้ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติพระเจ้าค่ะนี่แหละสงฆ์ทางหลายต้องฟังเอาไว้ถ้าหากว่าได้ยินอะไรมาก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อให้นำเมื่อได้ยินแล้วนำไปปฏิบัติในเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงจะเชื่อ เปินวางกันทันเลยวันนั้นพี่น้องลูกหลานทุกคนนะปุบ ป, ปับมาเบา อ, อย่างกัเสื้อมัดพอได้ชวยกับพ่อน่ะหลวงพ่ออินเบา อ, อย่งกพกเข้ากัเสื้อมัดหลวงพ่ออีนี่ไม่แต่ควายน้าหลังมันอไปสนเข้าแลวก็ถึงตามพว่นนำกลออไปเพามีความคิดความอ่านเนี่ยควายอันออกไปพวกเข้าตรงเป็นชั้นปัญญาชนได้เงี้ยอย่างมาต้องคิด คิดแล้วพิจะระารณาใจต่อว่หลวงพ่ออินว่องพ่ถือตัวเรื่องเนี่ยแล้วนําไปปฏิบัติอีก โ, โบแมนะเออพราอ น, นั้นเท่าต้องคิดจากก่อนได้เราก็นําไปปฏิบัติจริงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้พะ น, นั้นว่อ ง, งยังไรเงี้ยอย่างยาพึ่งเชื้อแจกมันอะไรย่างนะกันแจกมัแล้วก็เลียนน้อยบ๊พ่อเดี๋ยวเมื่น้ยพอเขาไปเอามาอีที่วะ โ จ, โจะไปเฮ็ดจ่อลอยกันแสงใดจะใดว่มันบ่พ อ, อจังมันบ่พออยู่นีย่ยังมีอยู่นี่ยปวดไดจะไปเอาสองเหล่มนะให้เหล่มเดียวเท่านั้นนะอ่ะกันปดไดดหยกเมือ่อคืนนเหล็มน่อยนะเออแจกครบหรือยังในครบแล้วนลูกหลานนะถ้าคใครยังไม่ได้บอกยังมีอีกอยู่ในสามสี่ห้าเล่มฮะวย มันแจกกระปิดกระปล่อยเด้๋ววะกันพูดอะได้ยกเมื่อึ้นนะพูดอะไรต้องการเอาไปอ่านเอาไปศึกษาลูกหลานถ้าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องไในรับการศึกษาการศึกษาคือเนี่ยจากหนังสือบ้างจากเทพบ้าง จากครูบาจาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวบ้งางจากการค้นคว้านั่นแหละจึงจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ จ, จะมีสติปัญญาขึ้นมาไม่มีทางนะลูกหลานต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่อ่านหนังสือก็ดีนะ เ, เพราะมันผลที่เป็นนะอัลไซเมอร์พวกหลงหลงลืมลืม ต้องอ่านหนังสือเพราะอ่านหนังสือจะได้ทบทวนนะเนีะยเื่อกีเนะี่ยข้าอ่านหนังสือเรื่องอะไรวะเขาพูดเรื่องอะไรหนังสือถึงจะทบทวนนั่งคิดนะพอ nang khit ขึ้นมาความจําก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนกับเราออกกําลังกายนะโอ้ยอ่านไม่ออกกําลังกายแล้วลูกหลานค้าเยอะเออกับจะไปที่ไหนมีแต่ให้เข้าหามไปก็ได้อหามไปหามมาตัวเองนะพังผืดติดเดินก็ไม่ได้หมดเลยพ่าะอะไร เพราะมันไม่ได้ออกกําลังกายแล้วมันไม่ใช่ผลดีเลยอันนี้เหมือนกันเออไม่ได้ออกกําลังสมองแต่ละวันเนี่ยคิดโย่คิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเปนลูกคิดเรื่องอะไรตัวมื่อไรคิดถึงลูกคิดถึงล้านคิดตึกอะไรตัวมื่อไรหาจุดจบไม่ได้แต่แล้วพออ่านหนังสือเนี่ยอหนังสือเล่มนี้เขาพูดเรื่องอะไรท่านพูดเรื่องอะไรในหนังสือเล่มเนี่ยพออ่านเสร็จแล้วก็ทบทวนดูการทบทวนน่ะคือการออกกําลังอออกกําลังให้สมอง สมองของเราจะไม่หลงลืมอย่างน้อยอ่านหนังสือวันละ30นาทีว่าท่านนี่พวกนั้นพวกเข้าฟังไว้นะเพรานั้นหนังสือควรจะอ่านเพื่อทบทวนความจําเพื่อกันอัลไซเมอร์ถ้าเราไม่อ่านหนังสืออัลไซเมอร์จะม า, มาเยือนเร็วเกินไปเพราะนั้นเราต้องอ่านอ่านหนังสือแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ทบทวนอกีก จะฟังเทศก็ตามพอฟังเทศเมื่อกี้เนะี่ยเราฟังเทศจบไปเนะี่ยท่านพูดเรื่องอะไรเนะี่ยเราก็ทบทวนความจำของเราอีกทีนึงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานบ่ายส5 2โมงหอนาที15นาฬิกา52นาที ประเทศชาติชาติไทยของเราหรือว่าจะวัดโลกก็ใช่เสียคนดีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองค์ท่านครองราชมาเป็นเวลาทั้งเจสปีนี่แหละพึงสวรรคตเมื่อวานนี้อย่างความสลดสังเวชให้กับปวงประชา ทุกหมู่เหล่าทุกวันในสถานีวิทยุทุกช่องโทรทัศน์ทุกช่องประกาศข่าวอยู่ไม่มีไม่เว้นระยะแปลว่าประเทศชาติชาติไทยของเราเหมือนกับร่มโพร่มสายใหญ่ที่พระองค์ท่านให้ความใส่ใจประเทศตั้งแต่คองราชเราจะคองราชแผ่นเราจะคองแผ่นดินโดยธรรม เราจะคองแผ่นดินโดยธรรมจะกข้อเป็นธรรมจริงๆดูแลทุกหมู่ทุกเหล่าทุกประสบในก่อนยู่ในชนนบทตรงไหนที่ขาดเลือกขาดตกกันดานพระองค์ไปทั่วถึงปีไหนที่มีฟ้าฝนไม่ดีพระองค์ทาผลเทียมจนผี่น้องประชาชน ในประเทศชาติถ้าจะว่าไปเป็นประเทศที่กเษ ก, รรกเษตรกรรมเกษตรกรเป็นส่วนมากก็พร้อมกันก็มีอยู่มีกินไม่เดือดไม่ร้อนอาหารการบริโภคจนถึงกับวว่าจะเป็นครัวครัวของโลกแปลว่าขายส่งออกต่างประเทศจนไม่มีจนจะล้นตลาดอยู่ในเมืองไทย นี่ละอันนี้ก็คือความใส่ใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราตรงไหนน้ำขาดตรงไหนน้าท่วมตรงไหนดินเปรี้ยวตรงไหนดินเค็มตรงไหนมันจะพังทลายภูเขาพระองค์ให้คำแนะนำทั้งหมดบัดนี้พ่อของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ได้จากไปแล้วจากพวกเราไปแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราประสบในก่อนทุกหมู่เหรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้รักกันพ่อของเราสั่งสอนมาอย่างไรให้พวกเราให้อยู่ในโอวาทหรือว่าอยู่ในกรอบทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระ อ, องค์เป็นพุทธศาสนูประถมภพกุปถมพระพุทธศาสนาตั้งแตง่งตั้งเจ้าฟ้าเจ้าคุณพ่อครู สมเด็จพระสังฆราชการล้วนแล้วแต่เป็นโครงการแล้วว่าเป็น เ, เป็นพระองค์เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายพระสงฆ์ถวายพัดยศทุกๆระดับเจ้าฟ้าเจ้าคุณนี่แหละทั้งฝ่ายพระฝ่ายปกครองก็ดูแลกันมาโดยสม่ำเสมอ ท่านก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาในประวัติของพระ อ, องค์ท่านแล้วในพุทธศาสนาท่านก็ไม่ได้นิ่งดูดายท่านตรวจตราดูพระไตรปิฎกที่อยู่ในประเทศไทยท่านรู้หมดว่าสังสกิตบาลีว่ายังไงพระ อ, องค์เป็นผู้มีปรีชาสามารถเกือบีะว่ารอบด่านสมเป็นผู้นาของ ชาติไทยของเราเพราะนั้นพวกเราเที่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำพวกเรา เ, เชิดหน้าชูตาอมองคนในโลกได้ทั่วถึงและคนในโลกก็เหมือนกันโลกทั้งโลก เ, เขาก็ถามว่า เ, เป็นยังไงถามผู้ใหญ่ในแผ่นดินในยุคนี้สมัยนี้เขาก็ยอมรับกันท่วนหน้าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา เป็นผู้มีทรงคุณธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นที่น่าเคารพกราบไหว้สักคาระบูชาคนทั่วไปที่ชั้นปัญญาชนนะ เ, เว้นเสียแต่คนเกเล เ, กเกลกัวราดอันนั้นมันก็สุดแท้แต่นะความดีความชั่วไม่รู้จักอันนั้นเราก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าว่าคนที่มีปัญญาผู้มีปัญญาต้อง เห็นคุณเห็นบนคุณผู้มีอุปกระคุณอย่างพวกเราผู้มีปัญญาและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างล้นหลามล้นเหลือจะบริยายทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาติก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพระพุทธเจ้ามีพระเป็นผู้มีพระคุณอันนั้นคือผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาและลึกถึง พันนาปัญญายพระคุณของพระพุทธเจ้าจนไม่มีที่สิ้นสุดนี้ก็เหมือนกันนะพระคุณของในหลวงของเราก็ลักษณะอย่างนั้นลัถ้าคนมีปัญญามองดูเงื่อนไหนมุมไหนจะเป็นเรื่องการกีฬาหรือจะเป็นเรื่องการพัฒนาประเทศหรือว่าถนนหนทางในประเทศชาติไทยน้ำท่วมฟ้าแรงการศึกษา ทุกอย่างเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินแต่สมัยเมื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่ก็ไม่ได้เออกมาพูดแต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนสวรรคตไปแล้วเนี่ยออกมาพูดกันหลายท่านมากมายมหาศาลเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านประสบในคนนิกรทุ ก, รกคนคนในชาตนะาิในขณะที่ประสบของพระองค์ อย่างตั้งอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยพวกเราควรจะน้อมไปทำบุญนะสถานที่ใดตักบาตรครั้งใดทำบุญไหว้พระสวดมนต์เมื่อไรก็ให้น้อมจาลึกถวายเป็นพระราชกุศลต่อประบาทสําเร็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราดวงวิญญาณของท่านถึงสถิตอยู่ณนะที่ใดทินใดประสบใ น, นกรทุกหมูเ่เหล่าพร้อมที่ถวาย เป็นพระราชนกุศล ข, ข, ขอให้พระ อ, องค์จงมีความสุขแต่พระ อ, องค์ก็มีความสุขอยู่แล้วแหละขนาดท่านทําแต่ขุดงามความดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราท่านจะตกต่ําได้อย่างไรท่านต้องไปสูงแน่นอนแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราจะให้สูงสุดเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านป ร, รินิพานไปแล้วเข้าสู่นิพานไปแล้วพวกเราก็กราบ จนถึงประตูนิพพานล่ะลักษณะอย่างนั้นแหละนี้คงเหมือนกันพอบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะสูงสุดขนาดไหนพวกเรากัน น, ะน้อมเอาคุณงามความดีบูชาประคูณท่านแต่พร้อมกันทุกคนทุกหมู่เหล่าก็ให้สำนึกไว้ในใจว่าขณะที่พระองค์จังผระสบของพระองค์ยังมีอยู่ เราพวกเราทั้งหลายควรจะประกอบสัมมาชีพมิชชาชีพไม่ควรจะมีอย่างหลวงพ่อไปไปฉันที่อุดรในร้านโภชนาอาหารเขาร้านใหญ่ในเมืองอุดรเขาในมวนพระหลายเป็นมากทีเดียวไปฉันเขาบอกว่าในขณะที่งานศพขององค์หลวงตามหาบัวที่อยู่ที่เมืองอุดร ร้านต่างๆร้านอาหารต่างๆขายเหล้าไม่ออกขายเหล้าไม่ออกแลไม่มีใครซื้อเหล้ากินเ อ, อ่อแปลว่าไม่มีใครซื้อซื้อแต่หารฐานแล้วจบหลวงพ่อยังนึกชมพี่น้องชาวอุดรอย่างมากป้อยเลเพราะว่าหลวงตามหาบัวเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่สั่งสอนธรรมะให้กับประเทศชาติสั่งสอน ใ ห, ให้คุณอุปการให้กับประเทศชาติไม่รู้โรงพยาบาลไม่รู้โรงเรียนแลักหาทองคําเข้าคลังหลวงให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเงยหน้าเรียว่าเชิดขึ้นมาได้ดําลงขึ้นมาได้ในช่วงนั้นไปลว่าเกือบล่มจมแหลไม่ล่มจมแหล่แต่พอลวงตาเข้ามาประคอง เ, อเข้ามาช่วยประเทศชาติก็เศรษฐกิจ ดีขึ้นโดยลำดับนี่ก็คือคุณขององค์หลวงตาเพราะนั้นลูกหลานทุกคนชาวเมืองอุดอรในขณะที่ศพองค์หลวงตายังอยู่ลูกหลานก็ประกอบคุณงามความดีไม่ดื่มสุราไม่ถึงจะอยากดื่มก็หยุดใช่ก่อนเพราะเหตุรเพราะรักเคารพในองค์หลวงตาต้องเป็นคนดีต้องเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ อย่าเป็นคนทําให้เสียหายขาดสตินี่แหละหลวงพ่อว่าหน้าเคารพหน้าบูชาน้ำใจของพี่น้องลูกหลานชาวอุดร น, นี้หลวงพ่อก็อยากจะให้ประเทศชาติชาติไทยของเราเหมือนกันที่พระศพของพระ อ, องค์ท่านยังอยู่ในเมืองไทย ประสบในก่อนทุกหมู่เหล่าที่รักเคารพในพ่อใหญ่ในพ่อหลวงของพวกเราใ น, ในหลวงของพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันในคนในชาตินะถ้าว่าพวกเรามีความเห็นแก่งแย่งกันในใจก็เถอะอย่าพึ่งแสดงออกให้ตั้งความรักเคารพในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่อนให ความในใจของเราที่มันจะทะเลาะวิวาทกันต่างคนก็ต่างมองงดไว้ก่อนอย่าให้มันออกนอกรูนอกทางให้พวกเราคิดว่าถ้าแบ่งกันดีถ้าแบ่งกันดีนดจะได้ดีทุกคนถ้าแข่งกันดีจะได้ดีบางคนถ้าแย่งกันดีจะไม่ได้ดีสักคนให้พวกเราฟังเอาไว ถ้าแย่งกันดีออมีอะไรกันใครจะดีก็ดีไปไดออ้ดึงทักกระชกกระตุกแข่งกระตุกขาเอาไว้ออผลที่สุดเลยไม่ได้ดีสักคนได้ก้าวหน้าไปไม่ได้ออถ้าแบ่งกันดีล่ะออจะได้ดีทุกคนถ้าแข่งกันดีได้ดีทุกได้ดีบางคนเหมือนกับเราแข่งฟุตบอลแข่งกีฬาอย่างนั้นจะได้ดีทุกคนได้ยังไงแต่ตัวผู้หนึ่งก็ต้องต้องเป็นผู้ชนะเลิศ ได้ดีบางคนถ้าแย่งกันดีเลยเละตุ่มเปะไปทั้งหมดฆ่าฟันรันแทงกันใครกับเป็นคนใครเก่งผลที่สูกขนาดนนะเสียหายทั้งประเทศชาติเพระาะฉันขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนนะคนในชาติไทยอยากจะให้คนในชาติช่วงนี้อยู่ในความสงบนิ่งมองให้ใช้จติตให้ใช้ปัญญาเรื่องวาจาให้งดไว้ก่อนสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ ถ้าพูดก็พูดไปในสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนว่ากล่าวสังส่งสอนตักเตือนกันให้มีความพร้อมเพียงให้มีความสามัคคีการรักกันเอาไว้คนในชาติถ้าคนในชาติแตกแยกสามัคคีกันแล้วอย่าหวังเลยเห็นไหมต่างประเทศที่พวกเราเคยเห็นมาไม่รู้เท่าไหร่ต่างประเทศความแตกแยกสามัคคีกันเพราะมัน แก่งแย่งกันมันได้ได้หรือเสียเสียกับได้อันไหนมากกว่ากันพวกเราควรจะบวกรบคูณหารดูว่าเราทำอย่างนั้นเข้าไปแล้วมันได้แล้วมันเสียถ้ามันเสียเราจะไปทำทำไมเสียประเทศชาติถ้ามันได้ทามันได้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นแหละควรจะทำสิ่งนั้นให้รักเมตตากันเอาไว้เพราะว่าไม่มีใครที่จะมาดูแลประเทศชาติของเรา ทางว่าประเทศชาติชาติของเราจีบหายทะเลาะกันเท่านั้นอ่ะผีกระสือผีปอบอผีหาผีอะไรมันจะเข้ามากินคนในชาติของเราหมดเพราะอะไรเพราะเรามันแตกแยกสามัคคีกันแหละคนที่มิจฉาชีพจ้องจะเข้ามาทําร้ายทําลายประเทศชาติของเราก็มีเพราะนั้นพวกพี่น้องทั้งหลายทุกคนต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันยึดเหนียว ฟังผู้ใหญ่ต้องฟังซะก่อนผู้ใหญ่พูดยังให้ฟังไว้ก่อนออผู้ใหญ่ถ้าเว้นเสียทอกผู้ใหญ่นอกออกนอกลูก่นอกทางเราก็ยังค่อยว่ากันแต่ขนาดไปตามลู่ตามทางอยู่เตามกฎตามระเบียบตามกฎตามเกณฑ์อยู่เราต้องฟังต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่การอยู่ด้วยกันถ้าหาว่าค้อนเท่าค้อนไม้เท่าไม้ข้าก็เป็นคนคนหนึง่งผลในสู่ก็นั่นแหะ ผลใสุดประเทศชาติบ้านเมืองก็หาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราต้องเป็นหนึ่งเดียวหลอมใจให้เป็นหนึ่งเดียวคนในชาตินั่นลหละดีที่สุดนะูนิ่งอยู่ในความสงบต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานไว้ก่อนจนกว่าหมอกเมฆเมฆหมอกมันผ่านไปพวกเราจึงค่อยแสดงความคิดเห็นกัน ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในช่วงนี้เรายังไม่รู้จักมันเมฆหมอกมันยังหนาแน่นอยู่พวกเราต้องยืนอยู่ในจุดและก็พร้อมกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีรักชาติชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์พวกท่าต้องถือยึดสถาบันหลักทั้งสมนี้ไว้อย่างหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเองในฐานะพระหลวงพ่อก็จะทำให้ตัวให้ดีที่สุดเหมือนกัน ในสิ่งสิไหนที่มันดีให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องลูกหลานทุกคนถ้าหวาหลวงพ่อเดินผิดที่ผิด ท, ท, ท, ทางพูดผิดที่ผิดทางลูกหลานเข้ามาก็บอกได้นะถึงจะไม่กล้าบอกตรงตรงกับกระซิบบอกตะเคียนหนังสือบอกอะไรหลวงพ่ออินหลวงพ่อของเราพูดอย่างนี้อย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะหลวงพ่อนะผมได้ยินและเสียหายฮหลวงพ่อก็พร้อมที่จะฟังลูกฟังหลานฟังทุกคนเหมือนกันหลวงพอ่อเออ ทามันเป็นจริงอื่นชายจุดนี้เราก็ต้องระวัง่ะหลวงพ่อก็จจะบอกอย่งง า, างนั้นเหมือนกันแต่นี้หลวงพ่อคิดว่าก่อนที่จะพูดอะไรออกไปแสดงอะไรออกไปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองสงเคราะห์อนุเคราะห์อะไรออกไปหลวงพ่อก็คิดถี่ท่วนทวนทีทกอย่างเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองมองคนเองเหมือนกันนะก่อนที่จะสอนลูกสอนหลานสอนพี่น้องศรัทธาญาติโยมให้เป็นคนดี หลวงพ่อมองตนเองซะก่อนไม่ใช่ว่าจะพูดเป็นลักษณะท่องบุญไปหาขัดต่อคนอื่นให้เป็นคนดีเอากระดาษทรายไปขัดคนอื่นให้เป็นคนดีแต่ตัวเองครุขลาไปหมดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นต้องมองท่านมองเรามองเรามองเรามองกันด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องมองกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงขอร้องหรือว่าขอบิณฑบาต ท, ทุกคู่ทุกคนคนในชาติให้อยู่ในความสงบ ให้ใช้ยติให้ใช้ปัญญาให้แสดงความเคารพรักในใ น, ในหลวงของพวกเราเพราะท่านเป็นร่มโพร่มใสแต่คราวนี้ท่านก็นั่นะสวรรค์นนะคตไปแล้วนะและขมีไม่มีอย่างอื่นที่พวกเราจะทดแทนประคุณของท่านมีแต่ประกอบคุณงามความดีทุกคนคิดดีทำดีพูดดีนั่นะเป็นเครื่องเชิดชูบูชาในพระองค์ท่าน พอพระอง์ท่านมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วท่านก็อยากจะเห็นประสบนนกรคนในชาติเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีใครอยู่หน้าที่อันไหนพยายามทำหน้าที่จุดนั้นอย่าให้ขาดตกปกพ้องถ้าเป็นทหารก็ให้รักษากฎระเบียบทหารรักษ า, รกษาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นตารวจก็ให้ดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนให้ดีที่สดุดเป็นครูบาอาจารย์ สอนโรงเรียนทุกระดับก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเพราะเราได้ศึกษาเราได้รู้มาแล้วเรียนรู้มาแล้วดีรู้จักไม่ดีชั่วรู้จักไม่ชั่วถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงนี่แหละทุกระดับพ่อค้าประชาชนก็เหมือนกันให้อยู่ในกฎในระเบียบอย่าไปโลโภโหมกณนะสิ่งไหนที่มันจะผิดกฎหมายก็ให้ระวัง ให้รับสำมรวมระวังถ้ามันมีกฎมีเกณฑ์อยู่แล้วรู้แก่ใจแล้วมันผิดนะอย่าทำทำทำไมทำแล้วก็เดือดร้อนนะไม่ควรจะทำจุดนั้นทุกระดับเป็นหมอก็เหมือนกันรักษาคนไข้พยายามรักษาให้ดีที่สุดเรื่องผลประโยชน์อย่างงุ้นอย่างนี้เราก็ดูสัก่อนเราก็รู้อีกเหมือนกันว่าอันไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นทําไม่เป็นธรร นี่แหละทุกระดับหลวงพ่อว่าขอให้อยู่ในความสงบให้มองตนเองอย่าลืมตนเองให้มองตนเองอันไหนดีดีลรไม่ดีอย่างที่ว่าชั่ว ร, รู้ไหมชั่วนะทํามันชั่วแล้วจะทำทำไมทําดีคิดดีทดําดีพูดดีถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้นะถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซก็ให้มองตนเองหลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะอยู่ในความสงบ เมื่อผ่านประราชทานหรือว่าถวายพระเพลิงพระองค์ท่านไปแล้วเนี่ยมีอะไรยังค่อยว่ากันเท่ น, นี่ปรึกษาปารถกันประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะเป็นยังไงไปยังไงนั่นแหะจุดนั้นยังค่อยศึกษาปารถกันในช่วงนี้นะอยากจะให้พวกเราทุกๆท่ทาน อ, อ, อยู่ในความสงบไว้ก่อนจะดี จะดีมากหลวงพ่อว่านะอันนี้ในความแนวความคิดของพระป่าพระดงอย่างหลวงพ่อนะขอให้พวกเรานําไปคิดดูสิที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยอย่างหลวงพ่อย้ําเสมอว่าอย่าพึ่งเชื่อดูก่อนสาริบุตรที่เราตรัสไปนี่เธออย่าพึ่งเชื่อเธอเชื่อไหมอย่างก่อนพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ยังไม่ได้นํา ไ, ไปปฏิบัติยังไม่ได้นําไปกลั่นกลอง นี่แหละให้พวกเรานำไปกานกรองดูซิที่หลวงพ่อพูดน่ยหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อพูดถูกและยังพูดให้พี่น้องประชาชนจิัทาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าได้ยินได้ฟัง เ, เพื่อเป็นการเข้าใจซึ่งกันและกันอตอนน่อไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรรับพรนัตชนีเนาะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้เนาะให้พวกเราน้อมจิตอุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของพวกเราที่ท่านได้สวรรคตไปเมื่อวานเมื่อวันที่ส3สตุลาห้าเกเวลา15ห้น า, านาฬิกาห้านาทีเมื่อวัน